โดยที่ไม่รู้ว่านี่นี่เป็นผลของวจีกรรมนะหรือแม้แต่เมื่อก่อนเราเป็นพรามชื่อสุตวาอันชนทั้งหลายสักระบูชาเป็นผู้สอนบนให้แก่มานบประมาณห้าร้อยคนอยู่ในป่าใหญ่ก็เราตอนนั้นเห็นฤาษีตนหนึ่งผู้ได้อภิน ญ, ญาห้ามีฤทธิ์มากน่ากลัวมาในสำนักของเราเราจึงกล่าวตู่ฤาษีผู้ไม่ประสุดสายนั้น โดยบอกกับพวกสิทธ์ของเราว่าลือศีพวกนี้มักบริโภคกามนี่จริงๆลือศีนี่ไม่ได้บริโภคกามใช่ไหมแต่ไปใส่ร้ายลือศีรูปนี้ว่าเนี่ยเนี่ือศีรูปนี้ชอบบริโภคกามดังนั้นเมื่อพวกมานพเที่ยวไปพิกขาในบ้านสกุลต่างๆก็พากันบอกแก่มหาชนว่าลือศีผู้นี้มักบริโภคกามนี่ไม่เจตนาเลยนะ เพราะว่าอาจารย์บอกมาใช่ไหมอาจารย์หลอกอ่ะอาจารย์บอกว่านี่นี่นี่นี่ลูกศษยพวกเนี้พูดง่ายว่าอะไรอ่ะเศรเศษไอ้ความยินดีความพอใจในเรื่องของกามเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยอยู่เรื่อยแอละพูดใส่ร้ายเขาเสร็จแล้วก็เลยปรากฏ ว, ว่าพวกลูกศิษย์ก็จําอย่างงี้มาพวกลูกศิษย์มาพูดต่อเออบางขยายผลมาพูดต่อดูนะ ด้วยผลแห่งวิบากกรรมนั่นเองเราภิกษุ500รูปนี้จึงได้รับคำกล่าวตูใส่ร้ายทั้งหมดเพราะเหตุแห่งนางสุนทีปริปริภาชิกาถูกฆ่าตายคือผลที่ตามมาก็คื อ, อผู้เจ้าก็โดนใส่ร้ายนะเพราะว่าผู้เจ้าเป็นคนกล่าวตูอ่าแลแ้วตอนนี้อดีตชาติเนี่ยที่ที่ผู้เจ้าเคยเกล่าวตูเอาไว้ผู้เจ้าก็ต้องโดนใส่ร้ายเองใช่มแต่ ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้แค่แค่ถือสาพุทธเจ้าเท่านั้นว่าพระุทธเจ้าเนี่ยสงสัยเป็นคนทำร้ายนางสุนทรีเนี่ยภิกษุเนี่ยที่อยู่ในเมืองนั้นน่ะห้าร้อยรูปเนี่ยอยู่ในเมืองนั้นก็โดนชาวบ้านชาวช่องด่าว่าไปด้วยเลยทั้งห่าร้อยนั้นโดนเล่นงานไปด้วยเพราะเป็นผลที่มาจากนี่เนี่ยที่พระเจ้าท่านตรัสเล่าให้ฟัง วั น, นี้เนี่ยก็พวกนี้ก็เชื่อไงเชื่อแล้วก็ไปขยายผลเพราะฉั้นพวกนี้ก็พวกขยายผลก็โดนด้วยโดนด้วยโดนวิบากกรรมนี้ไปด้วยนี่แค่การกล่าวตูนะนบบคิดด้วฮะ <c oughs> ใช่บินด บ, บากเขาก็ไม่ใส่ให้แล้วเขาก็ด่าว่าอะไรต่างนาน า, นานเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกเนี้โอ้ยต้องระวังมากๆโดยเฉพาะวิจีกรรมเนี่ยผิดง่ายด้วย วันใครไม่ระวังเนี่ยวัจีกรรมนึกว่าแมมพูดไปแค่นี้ไม่มีผลอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็หายอันนี้แสดงว่าไม่เข้าใจเรื่องวิบากกรรมไม่เคยศึกษาเรื่องวิบากกรรมเลยนึกว่าแม้เราโกรธใครเขาหรือเราเอสิงข์ข้อสี่ะนะเราพูดจาหยาบคายมั่งหรือเราอะไรไปบ้างแล้วโอ้ไม่ไม่ไม่อะไรเท่าไหร่หรอนิดๆหน่อยๆนะนั่นแหละนี่แสดงว่าไม่รู้เรื่องของ กรรมเลยอ่าดูอย่างเช่นเนี่ยไปด่าใครเขาเนี่ยนึกว่าไม่มีผลเหรออ่าดูนะเราได้เคยบริพาดบริพาดก็คือด่านั่นเองด่าว่าภาษาวกทั้งหลายในศาสนาของพระพุทธเจ้าพัฒนาวา่าพุทธะว่าพวกท่านเหล่านี้จงเคี้ยวจงกินแต่ข้าวแดงเถอะอย่าคิดมากินข้าวสาลีเลยคือชาติโน้ดไม่รู้ชาติไหนอะ่ะ อดีตชาิของทูตเจ้าเนี่ ย, ยไปด่าว่าภาษา v กเอาไว้ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นพราหมณ์ได้นิมนต์เราให้อยู่ในเมืองเวรัชเวรัญชาเราได้ฉันแต่ข้าวแดงตลอดสามเดือนนี่ผลของวิบากกรรมเนี่ยที่ไปด่าว่าภาษาวกของพระเจ้าพระเจ้าองค์ก่อนๆ น, นะเนี่ยคิดดู ปรากฏว่าต้องมาชดใช้คือคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่ข้าวยากหมากแพงนะเรียกว่าหาข้าวสาลีคือข้าวสุก ข, ข้าวที่มันแหม่หน้ากินเน่ข้าวนิ่มๆอะไรอย่างนี้ยากลำบากก็เลยภิกษุเนี่ยไปบินฑบาทก็เลยได้แต่ข้าวแดนแข็งๆหยับหยาบมาทั้งนั้นเลยผู้จ้าก็ต้องฉันอย่างนี้ไปด้วยนะพระอ น, นุ์ก็อุตส่าดีหน่อยพระอ น, นุนเอาข้าวนี่มาบด มาบดให้ให้ละเอียดละเอียดเพื่อที่จะได้ฉันง่ายหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นทั้งเม็ดเม็ดอย่างนั้นโอ้โหแข็งฉันลำบากสาคอเพราะฉะนั้นเนี่ยพเจ้าก็ฉันก็ต้องฉันอย่างนั้นสามเดือ น, นโดยที่เรียกว่าไม่มีข้าวนิ่มๆหรือว่าข้าวสาลีข้าวอะไรเนี่ยที่จะมาให้ฉันเลยนี่ไม่มีเลยสามเดือนกับพรรษาหนึ่งพอดี นั่นแหละนเนี่ยเยเป็นผลมิบาต ท, ที่ไปด่าว่าภาษาวกไว้เพราะอย่าแปลกใจนะบางทีใครต้องกินอะไรไม่อร่อยขึ้นมาจงภูมิใจจงภูมิใจว่ากำลังจะใช่นี่ไปอีกไลน์แล้วนะาจงภูมิใจอ น, นี้ไว้อย่าไปมัวทุกข์ใจหรือว่าอย่าไปมัวเศร้าโศกเสียใจอะไรเพราะคนเราถ้ามีนี่เนี่ยบอกแล้วนะคุณหนีหนี่ไม่ผลนี่มันต้องใช้ไปเรื่อย วันการที่เราใช้หนี้ใครก็ตามน่าจะโดยทรัพย์สินเงินทองหรือจะโดยอะไรอะ่ะบางทีทางกายทางวาจาทางใจอะไรก็แล้วแต่เราได้ใช้ไปเนี่ยเราควรจะดีใจว่าโอ้โหหมดเจ้าหนี้ไปอีกหนึ่งลายแล้วควรจะดีใจอย่างนี้ไว้คิดอย่างนี้แล้วมันจะทําให้เออค่อยยิ้มออกหน่อยสามารถที่จะอยู่สู้กับความยากความลำบากนั้นได้เพราะมันจะมีความสุขที่เออเราได้ปลดหนี้ออกไป นะอันนี้นี่ทางวาจีกรรมอ่าส่วนหนี้ทางมโนกรรมอันนี้บ่อยเลยอันนี้ยกตัวอย่างบ่อยเรื่องนี้คงจะนึกออกนะหนี้ทางมโนกรรมบางคนเนี่ยรับรองเลยอาจจะมาเชื่อเลยว่าเอ้ยเราคิดนี่เราคิดแค่นี้ไม่มีปัญหาหรอกปากเราก็ยังไม่อ้ามือเราก็ยังไม่ออกใช่ไหมคือวจีกรรมก็ยังไม่หลุดออกไปเลยกายกรรมก็ยังไม่ หัวผ่าอะไรออกไปเพราะฉะนั้นแค่เราคิดแค่นี้มัน ไ, ไม่บาปอะไรอะแล้วก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้เราด้วยว่าเราคิดอะไรอันนี้นี่ยังตื้นไปนะให้คุณรู้นะแม้มโนกรรมในความคิดของเราที่เราคิดไม่ดีนี่แหละแล้วคําว่าคิดไม่ดีนี่บางคนก็มุมเดียวอีกนะคือคําว่าคิดไม่ดีนี่ก็คิดแต่อะไรนะอคิดตบหน้าเขาคิดด่าเขา คิดทำร้ายเขาอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าโอ้โหอย่างเงี้ยไม่ดีเราเห็นชัดๆัดถูกอันนี้ก็ถูกต้องนะอันนี้เป็นความหยาบๆยาบแต่คิดไม่ดีบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้หยาบอย่างนี้นะอย่างเช่นคิดไปรักไข้ผูกพันเขาเนี่ยนี่ก็คิดไม่ดีนะนี่ก็เป็นกิเลสใช่ไหมเป็นกิเลสกามคุณอย่านึกว่าไม่มีวิบากกรรมแม้อย่างงี้ก็มีวิบากกรรม อ, อันนี้เป็นราคะถูกไหมส่วนไอ้คิดไปทำลายเขาก็เป็นโทสากไปเพราะฉะนั้นแม่ในความคิดเนี่ยโหยังต้องเป็นนี่เลยแล้วต้องชดใช้ด้วยเหมือนกันเวันอย่านึกว่าเอ๊ะเราแค่คิดแค่นี้ไม่มีใครรู้ด้วยกับเราเพราะฉะนั้นไหนอะ่ะเจ้านี่ไหนอะ่ะเจ้านี่อยู่ไหนอะ่ะก็ไม่มีใครรู้แล้วเจ้านี่อยู่ไหนถูกกับ่ถ้าตื้นๆเราคิดอย่างนี้อ่าแต่อาุลองฟังดู พุกเจ้านละ้นี่นี่ขนาดทุกเจ้านะ่ยต้องใช้นี่นี่เลยแล้วนี่ก็เป็นคำตัดของผู้เจ้าเองด้วยว่าในการก่อนครั้งที่เราเป็นลูกของชาวประมงอยู่ในหมู่บ้านเกวัตคามได้เห็นคนทั้งหลายพากันฆ่า ป, ปลาแล้วเกิดความยินดีพอใจคิดดูไม่ได้ไปทำร้ายอะไรใครเลยนะความคิดของผู้เจ้าเนี่ยไม่ได้ทำร้ายใคร แล้วจริงๆจะว่าไปก็ไม่ได้ไม่ได้ไปทำร้ายปลาด้วยใช่ไหมถ้าจะว่าไปไม่ได้คิดฆ่าปลาไม่ได้คิดอะไรนะแต่ยินดีพอใจที่คนอื่นเนี่ยเขาจาับปลาเขาฆ่าปลากันดีใจไปกับพวกที่เขาเขาได้ปลามาที่เขาหาปลามาได้เขาฆ่าปลากันมาได้ไม่ใช่ท่านคิดโดยตรงนะเพื่อไปฆ่าปลาเองเชื่อเพื่อได้มาเป็นของเราเองอะไรไม่เลย ถ้าจะว่าไปนี่มันแหมยังโ ด, โดยอ้อมโดยซ้ำใช่ไหมออไม่ได้โดยตรงเลยนะแต่แค่นี้คุณคิดดูพูะเจ้าบอกเนี่ยแค่ยินดีที่เขาหาปลากันมาได้แล้วเขาฆ่าปลากันมาได้เนี่ยแค่นี้ด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราจึงต้องปวดศีรษะเมื่อเจ้าสักยะทั้งหลายต้องถูกเบียดเบียนเข็นฆ่าจากพระเจ้าวิถุธพะคิดดูเอา นี่ผลของพิบากกรรมทําให้ผู้เจ้าต้องมาปวดเสียนเบียนก้าวพูดง่ายง่ายปวดหัวสํานวนเดี๋ยวนี้เ้าเรียกว่าปวดหัวโอ้น่าปวดหัวเรื่องนี้เนี่ยเนี่แค่นี้นะแค่ยินดีแค่เนี้ยยินดีที่เขาฆ่าปลากันมาได้ซึ่งถ้าเป็นเราเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าจะเป็นบาปอะไรเลยถูกไหมเราเราไม่รู้สึกเลยว่าเราจะเป็นหนี้อะไรด้วยแค่คิดแค่นี้แต่คิดแค่นี้แหละเป็นหนี้เป็นหนี้บาปละ แล้วก็ต้องใช้ด้ว ย, วยลลวแล้วพระพุทธเจ้าทำดีมาขนาดไหนบอกแล้วแม้แต่เอ้ยแค่นี้มันน่าจะไม่น่าจะมาต้องให้ระดับพระพุทธเจ้าต้องใช้นี่กรรมันนี้เลยใช่ไหมแต่ขนาดพระพุทธเจ้ายังต้องใช้นี่มโนกรรมอนนี้เลยนะแค่แค่ยินดีเล็กๆแค่นี้เองคุณคิดดูเอาโอ้โหแล้วเราได้ยินดีมากี่ยินดีแล้วเนี่ย เ, เ, เ, เรื่องบาเบนเอะไรต่างๆนะเรื่องอใบายามุกโอ้โหเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเรายินดีมาเยอะมากม า, กายก่ายกองนับไม่ท้วนเลยเพราะฉะนั้นอันตมาถึงบอกว่าเนี่ยคนทั้งหลายเนี่ยถึงคิดให้หัวแตกยังไงคิดไม่ออกหรอว่าบางทีเราสวยนั่นสวยนี่เพราะผลวิบากกรรมอะไรของเราเพราะมันจําไม่ไหวจริงๆเนี่ยเยอันนี้เป็นนี่มนโนกรรมซึ่งอันนี้อันตราอยากจะย้ามากๆเลยเรื่องของมนโนกรรม เพราะว่าหลายคนไม่กลัวนนี้วันนั้นบางคนเนี่ยนะทําเป็นหน้ายิ้มยิ้มทำเป็นหน้ า, นนาอะไรเนี่ยคุยกับใครเขาเนี่ยบางทีอคุยกับคนเขาเนี่ยนะก็ยิ้มยิ้ ม, มให้เขาทําเป็นอะไรอะ่ะสบายอกสบายใจแต่จริงจริใน ใ, นในใจนี่ <c oughs> กูไม่ชอบมึงเลยอาจจะคิดอยู่ในใจนะว่าโหคิดไอ้นั่นคิดไอ้นี่อะไรต่ออะไร อ่าสำนวนเอ่อกำลังภายในเขาบอกซ่อนดาบในรอยยิ้มสำนวนเขาอะนะมีจริงๆบางคนอะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอยาเช่นะแม้มโนกรรมของเรารู้เมื่อไหร่ว่าวิคิดไม่ดีแล้วจับให้พอจับได้รีบปรับหยุดไม่เอาไม่คิดต่อนะหยุดก่อนเลยเพราะฉนนั้นอันนี้ถ้าเราเองเรา เข้าใจตรงนี้ขึ้นมาเราจะระวังเรื่องจิตของเราเนี่ยมากขึ้นเพราะจิตนี่เป็นใหญ่จิตนี่เป็นประธานจิตเนี่ยเป็นตัวหัวโจกพูดง่ายเป็นตัวหัวโจกเลยถ้าจะพูดในทางลบก็คือเป็นหัวหน้าโจรถ้าจะพูดพูดในแง่อกุศลนะเนี่ยเป็นหัวหน้าโจร น, นะคุณเพราะันถ้าคุณไม่ระวังหัวหน้าโจรให้ดีเดี๋ยวลูกน้องโจรตามมาเต็มเลย เพราะอะไรเพราะว่าหัวหน้าโจรโผล่ใช่ไหมพอหัวหน้าโจรโผล่มาเสร็จเดียวก็โอ้โหผู้ไลาตามมาเป็นแถวเลยถ้าคุณคุณจับอารมณ์จิตไม่ทันคุณปรุงไปเรื่อยจะเป็นราคะจะเป็นโทสะจะเป็นมานะอะไรมันตามมาเรื่อยเป็นลูกโซ่เลยแล้วคุณไหวไม่ทันคุณคิดไปยาวเท่าไหร่กรรมที่คุณจะต้องใช้ก็ยาวไปตามเท่านั้น กี่พันปีกี่หมื่นปีอะน่ะนน่ะตามที่ตะกี้นี่อ่านอ่านให้ฟังโอ้โหคุณไม่รู้นะจะใช้เมื่อไหร่จบสิ้นเลยนะแล้วย้ำแล้วย้ำอีกว่าแล้วดับพระเจ้ายังต้องใช้นะคุณย้ำแล้วย้ำอีกตรงนี้เพื่อที่จะให้เห็นถึงความร้ายกาศหรือความน่ากลัวของวิบากบาปเนี่ยาเวลามาตามเล่นงานเราแล้วนี่คุณต้องใช้คืนคุณจะเก่ง คุณจะวิเศษวิโสมาจากไหนคุณก็ต้องใช้คืนเพราะศาสนาพุทธเนี่ยผู้เจ้าถึงย้ำเลยพอทั้กันมาย้ำลงไปอีกว่าศาสนาพุทธเป็นกรรมมนิยมเป็นศาสนาที่เน้นเห็นเรื่องกรรมเลยว่าถ้าทำกรรมอย่างนี้แล้วต้องใช้นี่ไม่มีใครหนีนี่ไม่มีใครหนีศูนย์ทุกคนต้องใช้คืนทั้งสิ้น เพราะถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยเราจะเริ่มโอ้โหคราวนี้มันจะกลัวบาปกลัวกรรมใช่ไหมมันก็จะคอยระมัดระวังอุ้ยตอนนี้คิดไม่ดีแล้วนะอ่าคิดไม่ดีขึ้นมาเฮ้รีบรีบรี บ, ร บ, ร บ, ร บ, รบปรับปรับแกซะเพราะตรงเนี้จะต้องฝึกจิตให้แววไวขึ้นมูทุภูเตนะฝึกจิตให้แววไวขึ้นรู้เมื่อไหร่จับได้เมื่อไหร่หยุดก่อนเลยทันที แล้วก็แก้จิตปรับจิตของเราให้มาในทางกุศลแล้วถ้าเราปรับแก้มาในทางกุศลได้แม้มโนกรรมมโนกรรมนั้นก็จะเป็นบุญทันทีเหมือนกันถ้าคุณปรับสมมติเราโกรธคนนี้นะเราไม่ชอบหน้าเลยบางทีเนี่ยแค่แววเสียงผ่านมาจากสายลมแสงแดดอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าโอ้พอได้ยินเสียงนั้นเอง่ะคุณดูสิบันี ไปละทันทีละใช่ไหมอไอ้นี่อไอ้น่านี่มาอีกแล้วเอาละเอาล ะ, เ, าละเริ่มละอะมันไวด้วยนะจิตนี่มันไวมากแั้นอย่าให้มันไวไปในทางเร็วให้มันไวมาในทางดีเพราะนั้นพ่อท่านเคยใช้อยู่คำหนึ่งว่าความเร็วทำให้ใจเร็วก็คือใจใครที่เร็วๆ เ, เนี่ยคือใจเนี่ยจริงๆมันเร็วอยู่แล้ะ แล้ถ้าเราไม่ระวังเนี่ยถ้ามันเร็วมันจะทางเร็วแล้วโอ้โหยิ่งใจเร็วลายอะไรเลยตรงข้ามถ้ามันไวมันจะทางดีเนี่ยโอโ้ใจคุณก็ยิ่งดีนะเพราะฉะนั้นจับอารมณ์จิตให้ทันจับได้ทันแล้วปรับให้ได้ถ้ายัางไงถ้ายัางปรับไม่ได้คิดเป็นกุศลอย่างไงไม่ได้คุณก็หยุดไว้ก่อนแค่นั้นทําจิตให้มันว่างๆไว้นิ่งๆไว้สมถะเอาไว้ยังไงก็เอาเสมอตัวไว้ก่อน <laughs> อย่าให้ขาดทุนอย่าให้ขาดทุน แต่ถ้าคุณเสมอตัวได้ดีแล้วเนี่ยจิตมันสงบได้บ้างมันนิ่งได้บ้างแล้วค่อยเอากำไรนะคิดให้เป็นกุศลขึ้นมาโกรธใครเกลียดใครก็หยุดอย่าไปคิดเพิ่มความโกรธอ่าพอหยุดได้ใช่ไหมพอจิตมันชักดีขึ้นมาหน่อยอ่าคราวนี้คิดเมตตาให้ได้อ่าคราวนี้จะเป็นกำไรแล้วถ้าคุณคิดเมตตาได้คุณจะเป็นบุญกุศลอย่างเงี้ยฝึกอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอยู่บ่อย จริงๆนัมันไวมากเลยคุณสังเกตมหมบางทีเราเดินสวนกับคนที่เราไม่ค่อยชอบคิดหน้าปฏิกิยามันออกเลยนะเป็นไงพอเดินสวนกับคนที่เราไม่ชอบใจอะไรเกิดก่อนเลยฮะอะไรเกิดก่อนเลยก็เนี่ยเนี่ยเอาเอาไม่ชอบไม่ชอบคิดหน้าจ่างไงเออบางทีพอเดินเห็นหน้ากัเท่านั้นเองไม่มองแล้วใช่ไหมบางที ไม่ไม่มองแล้วสะบัดหน้าไปยังอื่นเลยนะไม่มองเลยนะเสร็จแล้วก็เดินบางทีเลี้ยวเลยนะห่างเลยนะไม่ไม่ยอมให้ไปสวนกันแนละ้วคราวนี้เอเสร็จแล้วงไงบางทีเราจะรู้เลยวโอ้โหบางทีหน้าตาเราตึงไปหมดเลยนะไอ้บางทีเดินยิ้มๆมาอยู่ยยยดีๆนะหุบหมดเลยนะยิ้มๆมันจะหุบหมดเลยนัหน้าตึงโอ้โหมันเครียดเลยนะมันตึงเครียดขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยจริงๆอัตมาถึงบอกว่า แหมมันรู้อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมพอเราเห็นอย่างนี้โอ้โหคุณคิดดูจริงๆแค่เนี้ยเนี่ยมันก็เป็นเว น, เ ป, นเป็นกรรมกับตัวเองแล้วนะแม้อารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันก็ทําให้โอ้โหอะไรต่ออะไรมันตึงเครียดไปหมดพอนถึงบอกว่าหยุดให้ได้ถ้าจับอารมณ์นี่โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไไดชักแย่แะอะไรงนี้พอเราหยุดได้แล้วเราก็พยายามสร้างจิตให้มันเป็นกุศลให้มันรู้สึก เบาขึ้นให้มันรู้สึกสบายขึ้นเมตตาสงสารเห็นใจให้อาภัยอะไรคุณก็พยายามวิปัสนาเข้าจนกระทั่งผ่อนคลายจิตเราได้ถ้าคุณผ่อนคลายได้คุณก็จิตคุณก็จะเป็นบุญขึ้นมาอันนี้ฝึกส่วนตอนนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยกายกรรมก็ตามวิจีกรรมก็ตามมโนกรรมก็ตามอันนี้พูดในแง่ของวิบากบาปเนี่ยมากหรือนี่บาปอันนี้ แต่ตอนนี้หนี้บุญยังไม่ได้พูดเลยหนี้บุญเนี่ยคนอื่นมาช่วยเหลือเราเสร็จแล้วเนี่ย <Wong. S 1> เราก็เป็นลูกหนี้ใช่มพาะเข้ามาช่วยเหลือเราเราจะต้องใช้หนี้หรืออย่างพ่อแม่เงี้ยเลี้ยงดูเรามาให้กำเนิดเรามาพ่อแม่เป็นเจ้าหนี้เราถูกไหมเพราะช่วยเหลือเรามาเลี้ยงดูเรามาพ่อแม่เป็นเจ้าหนี้เราเราก็เป็นลูกหนี้พ่อแม่เพรา ะ, ะนั้นเราก็ต้องตอบแทนให้กับพ่อแม่ แต่ลึกกว่านี้บางทีเราก็บอกว่าตอนก่อนที่ลูกจะมาเกิดกับพ่อแม่เป็นไงพ่อแม่ก็เหมือนเป็นลูกหนี้ของลูกนะที่จะต้องมาให้ลูกเกิดใช่ไหมก็เลยต้องมาใช้หนี้มาใช้หนี้ต้องให้ลูกคนนี้บังเกิดแล้วก็ต้องเลี้ยงดูเขาเพราะฉะนั้นตอนต้นๆเนี่ยพ่อแม่ก็เลย กลายเป็นลูกหนี้ของลูกจะต้องมาให้เขาเกิดนะ่ต้องยากต้องลำบากมาเลี้ยงดูเขาแต่พอพ่อแม่เลี้ยงดูครานี้อา้าวปรากฏว่าก็ใช้หนี้เราใช่ไหมใช้หนี้เราเสร็จเลี้ยงดูเราไปเรื่อยดานวันเข้าอะไรเข้าให้ทั้งทรัพย์สินเงินทองให้ทั้งอาหารที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆให้ทั้งชีวิตอะไรอย่างนี้อา้อาวอ้าวคราวนี้ลูกก็เป็นลูกหนี้พ่อแม่เหมือนกันเพราะนั้นในที่สุด ลูกก็ต้องมาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ อ, อย่างนี้อันนี้เราเรียกว่าเป็นหนี้บุญคุณหรือพูดสั้นๆก็เป็นหนี้บุญที่จะต้องใช้คืนหนี้บุญอันนี้ไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวคืออาตมาจะพูดวันนี้ตั้งใจจะพูดประเด็นเรื่องหนี้บาปกับหนี้บุญเนี่ยคือให้ชัดว่าหนี้บาปที่ต้องกลัวให้จัดเลยต้องกลัวให้มาก แต่พอพูดถึงหนี้บาปเนี่ยบางทีไม่ค่อยกลัวกันแฮแต่ชอบมากลัวหนี้บุญอันเนี้ยนะชอบมากลัวหนี้บุญบางทีเนี่ยโอ้ยไม่อะเดี๋ยวมากินข้าววัดแล้วดูเดี๋ยวเป็นหนี้ไอ้ที่อย่างเงี้ยกลัวอาตมานะถ้าเจอแบบนี้นะมาคุยกับอาตมาที่ไรมาบอกไม่ต้องกลัวหรอกมาสิมากินแล้วก็เป็นหนี้วัดก็ดีแล้วคุณจะได้ต้องใช้หนี้ที่วัด ใช่ไหมถ้าคุณเป็นนี่ที่วัดคุณก็ต้องตอบแทนมึงคุณคืนให้กับวัดถูกกับเปล่าใช่ไหมถ้านี่แบบนี้เนี่ยคุณจะไปกลัวอะไรอะ่ะเพราะว่ามันก็จะช่วยทําให้คุณนี่ดีขึ้นด้วยจเจริญขึ้นด้วยอาสมมุติว่าพ่อท่านเป็นครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยสอนเราก็แน่นอนใช่ไหมก็เหมือนเราเป็นลูกหนี้อีกและวนี่ทางจิตวิญญาณที่ท่านอบรมสั่งสอนเรามาเราก็เป็นลูกหนี้ถูกไหม ก็เป็นหนี้บุญนะท่านเป็นเป็นเจ้าบุญของเราอ่าเราเป็นลูกบุญของท่านเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้คืนใช่ไหมไม่มีทางอื่นแล้วหนีไม่พ้นเลยนะอาตมาบอกแล้วจะหนี้บาปก็ตามหนี้บุญก็ตามคุณหนีไม่พ้นต้องใช้ <c oughs> เพียงแต่มันใช้เมื่อไรหรือว่าชาติไหนยังไงเท่านั้นเองใช้ปัจจุบันชาตินี้หรือว่า ไปใช้ชาติหน้าโน่นโน้นก็นแล้วแต่แต่ต้องใช้ไม่มีทางเลี่ยงอื่นเลยแต่เป็นหนี้บุญอย่างนี้อ่าเป็นหนี้พ่อท่านอ้าวตอนนี้ครูบาอาจารย์ของเราใช่ไหมอ้าวเราก็ต้องช่วยเหลือท่านถูกไหมต้องตอบแทนบุญคุณท่านแต่เรายิ่งตอบแทนคนดีคนที่มีคุณธรรมเราเป็นหนี้บุญคุณของคนที่มีคุณธรรมอย่างเงี้ยอ้าวเราก็ยิ่งต้องตอบแทนต้องใช้คืนด้วย อาแล้วมันก็ต้องใช้คืนจริงๆด้วยนะเพราะตามบุญตามกรรมบอกแล้วมันก็ต้องต้องใช้กันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้จริงๆพอเราใช้คืนใช้คืนเราพยายามทําบุญตอบแทนตอบแทนตอบแท น, แ, ทนแล้วเป็นหนี้บุญก็ต้องคืนด้วยบุญสิเป็นหนี้บุญจะเอาบาปไปคืนได้ไงระวังมันอย่าเอาแบบหนังจีนมันมีหนังจีนที่แบบว่าบางทีเนี่ยเราเป็น เราไปเป็นหนี้บุญคุณของคนเลวอะ่ะคนร้ายอะ่ะซึ่งคนที่เขาเป็นผู้ลายเอาสมมุติเป็นโจรอย่างเงี้ยบางคนเขาเป็นโจรก็เป็นผู้ล้ายโหว่ป้นจี้ฆ่าคนก็จริงแต่บางทีมันก็มีคนที่มันรักเหมือนกันใช่ไหมบางทีก็มีบางครั้ก็มาช่วยเหลือคนนั้นคนนี้บ้างเหมือนกันแต่ช่วยน้อยไงส่วนใหญ่เนี่ยเลวอ่าปรากฏว่าถ้าเขามาช่วยเราเอาเราเป็นหนี้บุญคุณเขาไหมก็เป็นถูกไหม อันเนี้ยต้องระวังให้ดีอาตมาบอกแล้วว่าถ้าเป็นหนี้บุญเขาช่วยเราเนี่ยเขาช่วยนี่เป็นบุญถูกไหมไปในทางที่ดีนะช่วยนี่หมายถึงช่วยในทางที่ดีนะอย่าไปเข้าใจผิดนะอ่าไอ้นี่มันหิวเหล้าเอาให้มันกินเหล้าไอ้นี่หิวบุหรี่ให้กินบุหรี่ไอ้ให้สูบบุหรี่อ่าไอ้นี่มันมันติดยาให้มันติดยาไอ้อย่างนี้เขาไม่เรียกว่านี่นะไม่ใช่ไม่เรียกว่านี่บุญนะ ไอ้อย่างนี้นี่ยิ่งมาให้เราติดหนักกว่าเดิมมันนี่บาปนะไม่ใช่ไม่ใช่หนีบุญนะอย่างเงี้ยเ อ, ออเพราะอันนี้ต้องแยกให้ให้เข้าใจให้ชัดเจนด้วยเพราะนั้นกรณีเนี้ยเขามาช่วยเราเนี่ยสมมติโจรคนนั้นมาจริงบางครั้งก็ช่วยคนได้ด้วยเหมือนกันาจับพัดจับผูมาช่วยเราไว้อ่อโอ้โหเราก็เป็นหนี้เขาจริงๆแล้วเขาช่วยเขาเนี้ยเขาก็ช่วยเราด้วยเจตนาดีจริงจริงด้วยเพราะเราก็เลยเป็นหนี้บุญคุณ ติดหนี้อโจรคนนี้แต่เป็นหนี้บุญนะคุณจําให้ดีเพราะวันหลังเกิดจรคนนี้เกิดลําบากขึ้นมาใช่ไม้มอาจจะโดนจับติดคุกติดตารางหรืออะไรเงี้เสร็จปรากฏว่าคุณก็เอะเราเป็นหนี้บุญคุณเพราะนั้นเราจะช่วยโจรคนนี้เราไปช่วยแหกคุกให้ดีวกว่าไ อ, อย่างงี้ไม่ใช่แล้วแสดงว่าคนนี้นี่ไม่เข้าใจแล้วถ้าคุณไปทําอย่างนั้นคุณกําลังทําแล คุณกำลังทำบาปนะคุณไม่ได้ใช้หนี้บุญเนะ่ั น, นี้คุณกาลังไปทำบาปอีกแล้วหนี้บุญต้องใช้ด้วยบุญถึงจะาหายกันได้ถึงจะคืนกันได้ไม่ใช่หนี้บุญแล้วเอาบาปไปใช้มันจะเปคนแทนกันได้ได้งไงอมันแทนไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราวางให้ดีสมมติอเอาโจนเขาท่านติดคุกเราไปช่วยยังไงเราก็ช่วย ที่ส่งข้าวส่งน้ำใช่ไหมเอาอันนี้เป็นบุญช่วยได้อย่างนี้ช่วยได้ไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายไม่ได้เป็นเรื่องบาปกรรมอะไรอย่างนี้ต้องเข้าใจให้ชัดถ้าอย่างนี้เราใช้บุญคืนบุญได้เพราะนั้นถ้าเราเป็นหนี้บุญอย่างนี้นมาบอกไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกลัวอะไรมันมากมายนะยิ่งเป็นหนี้หมู่กลุ่มเนี่ย ในหมู่กลุ่มเนี่ยโอ้โหเป็นหนี้คนนั้นคนนั้นก็มาช่วยเราคนคนี้บางทีเราเจ็บป่วยอะไรก็มาดู แ, แลเราเพาเราไปหาหม อ, เ, อเราเป็นหนี้เขาอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยหนี้บุญเราก็โอ้โหก็ต้องช่วยเหลือเขาคืนบางทีไม่ใช่แค่ช่วยเหลือเขาคืนเนี่ยเราอยู่ในหมู่กลุ่มแบบนี้ใช่ไหมคนนั้นก็ช่วยมาคนนี้ก็ช่วยมาเราก็โอ้โหต้องช่วยคนนั้นต้องช่วยคนนี้คืนไปเยอะแยะมากมายถ้าอย่างเงี้ย บอกแล้วบุญกุศลเราก็ยิ่งดีขึ้นยิ่งมากขึ้นวันนี่บุญอย่างนี้อย่าไปกลัวถ้าใครเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยจะไม่จับมาเพี้ยนมาปนเปกันจนกระทั่งเลยไ ม, ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยกลายเป็นถ้าใช้คำว่าเป็นหนี้แล้วก็กลัวไปสหมดเลยแต่ก่อนเนี่ยอาตมาไม่ได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง บาปเรื่องบุญอะไรต่างๆจริงๆเหมือนกันเลยกลัวคนก็ชวนมาวัดเนี่ยตั้งนานแล้วแหละก็กลัวไม่กล้ามาไม่กล้ามาหลายเหตุรวมไปทั้งตาหลังนี่มาพอมาวัดไม่ยอมกินข้าววัดอะเท็กกี้เล่าให้ฟังก็เล่ามาจากตัวเองอแหละเขาชวนให้กินข้าววัดยังไงไม่เอากลัวเดี๋ยวเป็นหนี้วัด นนกลัวเป็นนี่วัดก็ทําไมทําไมถึงกลัวเป็นนี่วัดรู้ไหมกลัวเดี๋ยวต้องมาอยู่วัดก็ <c oughs> เลยไม่อยากเป็นนี่วัดอ่าเพราะนั้นจริงๆแล้วบอกไอ้อย่างเงี้ยไม่น่ากลัวหรอกอย่างนี้จริงๆอ่ะมันจะทําให้เราเนี่ยนะได้ถือศีลได้ปฏิบัติธรรมได้อยู่ร่วมกับคนดีได้ทดําดีมากขึ้นถ้าเราเป็นนี่ในหมู่มิตร ด, ดีสหายดีเนี่ย เนี่ย น, นี้บอกแล้วนะ่าต้องจําให้ดีนะาเป็นหนี้บุญนะคุณไม่ใช่อยู่ในหมู่มิติสหายดีแล้วคุณเที่ยวมาทําบาปนะไอ้ท่าอย่างนี้ก็ไปไม่รอดนะสวยหนักเลยบอกแล้วยิ่งมาทําบาปในหมู่คนดีเขานี้บาปคุณยิ่งก้อนโตขึ้นไปใหญ่เลยเพราะฉะนี้จะต้องระวังให้ดีศึกษาดีดีเพราะวันเนี้ยเจตนาจะพูดเรื่องหนี้บุญหนี้บาปเนี่ยมากๆเลยเพราะว่าหลายคนจริงๆที่ไม่คเข้าใจอันนี้ เลยกลัวเรื่องแบบไม่เป็นเรื่องนั่นก็หวังว่าถ้าถ้าพวกเราเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้ความเป็นหมู่เป็นมว ล, เ, มลเพราะศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ต้องมีมิตร ด, ดีสายดีเพื่อนดีนะสังคมดีอันเนี้ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติทรามเป็นเรื่องของศาสนาเลยถ้าตรงนี้เราเข้าใจอย่างอย่างถึงจิตถึงใจเราได้เนี่ย เราอยู่กับหมู่กลุ่มอย่างนี้แล้วที่จะเป็นหนี้บาปนี่จะกลัวมากๆเลยจะไม่อยากคิดไม่อยากพูดแล้วก็ไม่อยากกระทําบาปเลยในหมู่มิตรดีสายดีเพราะเรารู้ว่าหนี้จะหนักบาปจะหนักแล้วคราวนี้ยิ่งถ้าเป็นหนี้บุญเราจะยิ่งรู้เลยว่าโอ้โหหนี้บุญนี่ก็คือการจะทําให้เราเนี่ยได้มาเกื้อกูลได้มาช่วยเหลือกันอ่ก็ยิ่งจะช่วยดึงพา กันไปทั้งเป็นหมู่เป็นมวลไม่ใช่ข่ามาคนเดียวข่าไปคนเดียวอันนี้มันจะช่วยเหลือกันแล้วก็ดีไปด้วยกันนะถ้าเข้าใจตรงนี้ได้ก็จะยิ่งแบบแหม่ถ้าเป็นดีบูญซึ่งกันและกันนี่จะไม่ห่วงไม่กลัวเลยเราก็ช่วยเขาเขาก็ช่วยเราอะไรเงี้ยจะไม่มาเกงใจแบบอะไรอ่ะเกงใจแบบไม่รู้เรื่องอ่ ะ, อะจริงๆจะไม่เกงใจหรอกเพราะเข้าใจ เกงใจที่โดยที่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเนี่ยมันมันจะลดลงเพราะว่าอาตมาเห็นอยู่บางคนเกงใจแบบแบบไม่เข้าใจดูรู้นะนี่เกงใจแบบมันเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยอย่างนี้ไม่ต้องเกงใจนะอ่ามาเลยนะจะกินจะใช้นี่คุณกินคุณใช้ไปสิแต่คุณกินคุณใช้แล้วถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วเราก็ต้องมาทดแทนบุญคุณใช่ไหมต้องมาตอบแทนคุณเพราะนั้น ระบบของหมู่มิติสายดีนี้ก็จะยิ่งพัฒนาขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นรวมไปทั้งการลดละ ก, กิเลสเราเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะและสังคมนั้นก็จะอยู่เย็นเป็นสุขมีความอบอุ่นได้ดีอ้าววันนี้ของพอเท่านี้นะ